พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18เมษายน2 5ง0มีชื่อเรื่องว่าเรียนรู้จากประวัติแล้วปฏิบัติตามหลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันทําการทํางานของพี่น้องประชาชนครบถ่วนวันนี้ยหยุดมาตั้งแต่วันที่13เป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็หยุดถึงวันที่17วันนี้เป็นวันทํางานของ ขาราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าอันนี้ก็คือทำงานทำการทำงานภายนอกนะแต่พยามัจยุราชฉลามรณะทำงานไม่มีไม่มีช่วงว่างไม่มีช่วงระหว่าง อาจจะหมดวินาทีกันยังจะยาวนานเกินไปเกินกว่าวินาทีไปอีกการทำงานของชลามรณะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจนเคยชินการทำงานของเขาเราจนไม่ได้ใส่ใจถ้าเราคิดดูให้ดีแล้ว หน้าหน้าพิทุกหน้ากังวลว่นหน้ า, ากลัวพูดง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะว่าชาลานะแก่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอถ้าจะว่าวันนี้แก่แก่กว่าเมื่อวานนี้อันนั้นก็ยังห่างเกินไปชั่วโมงที่แล้วมาถึงชั่วโมงนี้ก็ยังห่างเกินไป นาทีนั้นถึงมาถึงนาทีนี้ก็ยังห่างกันไปเพราะเพราะมันแก่มันแก่ไปเรื่อยทุกตลอดไปเลยไม่มีไม่มีช่องไม่มีช่องระหว่าง เ, าเมื่อแก่ไปใกล้เข้าว่าชีวิตของเราแต่ละคนมันมีจุดอยู่แล้วนะจุดไหนจุดของชีวิต จากนั้นก็แก่ไปถึงจุดนั้นไปหาถึงจุดชีวิตของใครของเราเพราะมันมีมันมีขีดเส้นของใครของเราอยู่นี่ <c oughs> อันนี้ก็ให้พวกเรานึกคิดไว้ในใจอันนี้ก็คือจะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททําพูดอีกในตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนแล้วท่านว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เพราะความแก่ไม่มีระหว่างและก็ความตายที่จะรองรับอยู่ก็ไม่มีระหว่างอีกเหมือนกันแล้วอให้พวกเราสํารวมือวนึกคิดประกอบคุณงามความว ด, ดีไว้แต่เมื่อกี้ในฟังประวัติของหลวงปูาา่ล่าหลวงปู่ท่านก็เขียนประวัติเมื่ออายุเจ็ดสิบปีนะลูกหลานคณะสัาญ า, าิโยม หลวงปู่เริ่มเขียนประวัติของท่านเจ็ดอายุท่านเจ็ดสิบปีแต่หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบสองอายุอายุหลวงพ่อเจ็ดสิบสองจะมีประวัติแต่อีกไม่ดานประวัติของหลวงพ่อคงจะออกมาเหมือนกันนะลูกหลานนะอแต่ว่าอก็งคนอื่นเป็นคนเขียนแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเขียน แต่คนอื่นเป็นคนเขียนก็เถอะแต่หลวงพ่อก็ได้ไดอ่านได้ฟังอยู่ว่าอันไหนมันเลยขอบ เ, อเขตหลวงพ่อก็คงจะไม่ให้เขียนในจุดนั้นแต่เขาก็ถามได้หลายอย่างแต่หลวงพ่อบอกว่าจุดนี้ตอบไม่ได้บอกไม่ได้ก็มีมากอีกเหมือนกันเพราะนั้นมไม่ใช่ว่าเขาจะเขียนตามอาเภอ ผู้ที่อยากจะเขียนไม่ได้เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเราต้องบอกตรงกล่าวทุกคนต้องมีชีวิตนั่นแหละต้องมีประวัตินั่นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีประวัติเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีประวัติมีมากมีน้อยต่างกันบางทีก็ประวัติในโลกนั้นมัน มันมีมันมีทุกคนนะนะ่นแหอใครจะเขียนใครจะบอกจะกล่าวแต่ความจริงอยู่ที่ไหนมันกับความจริงอยู่อย่างเกา่าถึงจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่ล่าพูดนะนะั่นแหละถ้าว่ามันไม่เป็นความจริงถึงจะพูดไปมันก็เป็นความเท็จถึงจะพูดไม่พูดมันก็เป็นความเท็จเพราะมันเป็นความเท็จนะแต่เป็นความจริงถ้าพูดพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นความจริงออแต่ท่านก็บอกว่า ถ้าเป็นความจริงนะ่พูดดีกว่าเผื่อบางท่านบางคนอาจจะได้นําไปเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันมีหลายคนมีหลายระดับอย่างองค์หลวงตาที่ท่านเห็นด้วยที่จะสร้างให้สร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านพอได้เอาผลงานของท่านออกมาให้เอาผลงานของท่านออกมาเผยแพร่ออกมาบอกกล่าว พ่วพงานของท่านท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติธรรมเทศนาอบรมพระสงฆ์สัมเาณีอุบาสกอุบาสิกามีมากแนวความคิดเรื่องศิลสมาธิปัญญาที่เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่ท่านปฏิบัติอย่างไรรู้เห็นผลอย่างไรท่านก็ได้นำเอาแนวความคิดขององค์ท่านที่ได้ประสบรการในเรื่องของท่าน เอามาบอกกล่าววันนั้นเมื่อไม่เอามาตีแผ่ไม่มาขยายผลเก็บไว้ในตำรับตาราก็คงจะล่อยหลอไปเรื่อยๆถ้าเราเอามาเป็นสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกให้หลานได้ศึกษาได้ฟังก็คงจะเป็นประโยชน์เพราะอุปนิสัยของลูกของหลานบางท่านบางคนมีแนวแถวใ่ในการเรียนรู้ใยในการศึกษา แล้วก็ไฟในการประพฤติปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันมีอยู่ในในมนุษย์ชาติมันไม่เหมือนกันแต่บางคนที่ได้ยินแล้วก็เฉยเกระจบไปก็แล้วไปแต่ผู้ได้ยินแล้วมันส ะ, สะกิดจิต ส, ก, ส, ก, ส, ก, ส, ก, สกิดใจพออ่านได้ศึกษาแล้วก่อนเอออันนี้เป็นธรรมคำสอนที่น่าศึกษานาหน้านามาประพฤติปฏิบัติพอได้ฟังเสร็จแล้วก่อน หามุมสงบอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ในห้องพระก็เป็นนั่งสมาธินี่แหละเมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเพราะนั้นแหละก็จะเป็นพื้นฐานพื้นฐานของจิตใจอันนั้นแค่ว่านับว่ากอไก่หรือว่านับหนึ่งในเมื่อนับหนึ่งได้แล้วก็ต้องมีเลขสองเขียนเลขสองต่อไปจากนั้นก็ศึกษาไปเรื่อยๆนี่แหละ องค์หลวงตาท่านคงจะมีแนวความคิดอย่างนั้นท่านเตียงว่าเราเห็นด้วยที่จะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์เอาทำคาสอนแล้วเอาแนวาการที่เราประพฤติธปฏิบัติมาเป็นเยี่ยงอย่างของกุลบุตรจุดท้ายภายหลัง เ, เพียงแต่ว่าการเสียสละเท่านั้นแหละาการเสียสละเท่านั้นพวกเราคิดดูสิว่าการเสียสละขององค์หลวงตา การมีน้ำใจของหลวงตาแต่บางคนที่มีกิเลสก็ใช่เลยสิหลวงตามีแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้คนอื่นมาทำบุญใช่แต่บางคนเมื่อทำบุญแล้วตัวเองก็เก็บหอมรอมริบใช้ประโยชน์ส่วนตัวใช้ให้เกิดแต่หลวงตาแล้วมีจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้โลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็พร้อมกัน ผลที่จะทำได้อย่างหลวงตาไม่ใช่ทำได้ง่ายๆการพูดกล่าวโน้มน้าวให้คนได้มาร่วมทำบุญแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วก็เอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นของกลางเนี่ยหลวงตาท่านทำคุณประโยชน์อย่างนั้นถ้าว่าทุกคนในโลกเนี่ยหรือว่าหปอรสองเนี่เป อยู่ในร้อยเปอร์เซมีคนมีคิดอย่างองค์หลวงตาก็ทาให้โลกในยุคนั้นร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านเห็นไหมละ่ะขนาดองค์หลวงตาองค์เดียวท่านก็ยังช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนเครื่องมือแพทย์มีมากต่อมากก็ทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้องค์หลวงตาก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะ เครื่องมือแพทย์ก็ยังใช้กระทงทุกวันนี้พวกเห็นไหมพวกเราเลูกหลานศรัทธาญาติโยมไปเมืองอุดอรที่ไรก็ถาม อ, อาจารย์หมอทำตาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเอาเครื่องมือของหลวงตาหลวงพ่อที่ศรัทธาญาติโยมผู้ใดก็ตามไปหาหมอไหนล่ะหมออุดอร ก, ก็รู้ได้เลยก็เป็นเครื่องมือของหลวงตานั่นแะ ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอุดร น, น, นี่แหละสรุปแล้วคื อ, คอท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากทีเดียวนะหลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงก็ตามมันนั้นคือองค์หลวงตาห้ย้อนมาหาพวกเราอีกแต่พวกเราก็จะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีการสั่งสมบุญกุศลไม่ใช่ว่าจะมีแต่อามิตร การปฏิบัติปูชานื้อเลิศประเสริฐกว่านะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่า น, านก็บอกกล่าวเอาไว้หลวงพ่อก็เตือนลหลวงพ่อก็บอกกล่าวเอาไว้เหมือนกันอามิทชบูชาเนี่ยเป็นหลอกเป็นรองปฏิบัติปูชาเนี่ยเป็นหนึ่งแต่มันก็ยากนะปฏิบัติปูชาเนะี่ยคือบังคับตนเองขนาดจะภาวนาแท้ๆยังจะเข้าไปให้คนอื่นบังคับตัวเองอีก ให้มีคอต์ดบังคับอีกต่างหากถ้าจะให้ปฏิบัติตามลำพังเนี่ยมันบังคับตนเองไม่ได้เหมือนกับเด็กเราจะให้เหมือนกับเด็กนะเด็กเราต้องมองเห็นคุณค่านะคุณค่าที่เราจะเรียนที่เราจะศึกษาถ้าเราต้องให้มองเห็นคุณค่าถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าแล้วนะเหมือนกับเหมือนเด็ก พ่อแม่บังคับให้เรียนหนังสือนะู่นละ่ะพอเรียนหนังสือไปแล้วนะเห็นคุณค่าท่านนั่นแหละจึงค่อยตั้งอกตั้งใจเรียนนะอันนี้เราได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าที่พ่อแม่ครูบาแนะ น, นําแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราก็ควรจะใส่ใจลงมือประพฤติธปฏิบัติบังคับตนเองนะ อย่าให้ผู้อื่นบังคับทกทุกวันนี่มีจะคนถามมาวัดหลวงพ่อเอ็นเนี่ยเข้ามีคอร์สไหมมีคอร์สการศึกษาการเรียนปฏิบัติธรรมไหมหลวงพ่อว่าวัดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นวัดถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยต้องเรียนทุกวันครูบาอาจารย์ต้องสอนทุกวัน แต่มหาวิทยาลัยเปิดอย่างรามความแขงสุขโขทยนะัยเนี่ยมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาตํำรับตําราให้ไปศึกษาค้นคว้าเองในเมื่อค้นคว้าศึกษาแล้วมีความคล่องใจตรงไหนติดใจตรงไหนสงสัยตรงไหนสงสัยตรงไหนก็นํามาบอกกล่าวมาถามครูบาอาจารย์นั่นแหะแต่โวยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นเขียนกอไก่ก็ยังไม่ถูก ก็พยายามเขียนอยู่ไม่อะไรสงสัยตัวอื่นอีกต่อไปเพราะว่าตัวนี้ก็ยังเขียนไม่ได้มันก็เลยไม่รู้จะถามตรงไหนนี่แหละอันนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าทาจิตใจให้สงบนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอย่าให้มันเผลอนะทำจิตใจให้เน่งนะให้สงบนะ ทำขนาดนี้ก็ยังทําไม่ได้ไม่รู้จะถามถามตัวอื่นต่อไปอย่างไรถ้าเข้าคอร์สก็ไม่รู้จะเข้าอย่างไงอีกทีนี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเรามองดูตนเองนะเมื่อครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวนะั้นถ้าจิตใจข อ, องเราเน่งสงบ เป็นพื้นฐานครั้งสองครั้งเท่านั้นล่ะเรามั่นความหมั่นความขยนันความเชื่อมั่นในตนเองมันจะเกิดขึนนะพระเนรูกหลานและก็พร้อมกันให้ช่วยๆกันดูนะเรื่องงานเรื่องการในชว่วงนี้กํา ล, ลังเขม็งเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องฟังกันมีอะไรแจะมีปัญหาอะไรเอามาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็น อยู่กับลูกกับหลานมองดูอยู่ไม่ใช่ไม่มองนะมองดูอยู่มีปัญหาอะไรก็มาบอกแต่ไม่มีปัญหาเอาเดินไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆผ่านวันที่ย7่แล้วก็ผ่านเองหรอกแต่ยังไม่ถึงวันวันหน้ากันนะต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันทําต้องช่วยกันวางแผนอันละพอในแต่ีนะ